ร้ายปลายดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเวรวรนกรุงราชครึกมีนางพรามณีชื่อธนัญชานีเป็นอริยะสาวิกาผู้โสดาบันเลื่อมใส ย, ยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรม และประสงค์ส่วนพารามณ์พานทวชโครดผู้สามีนั้นเป็นมิจฉาทิฐิเมื่อนางกล่าวว่าพุทโธธรรมโมสังโครพราหมณ์ก็ปิดหูเสียวันหนึ่งพราหม์พานทวชโครดปรึกษากับนางทนัญชานีเชิญพราหมณ์ห้าร้อยคน มาเลี้ยงอาหารในวันรุ่งขึ้นและขอให้นางงดกล่าวนามาสการพระพุทธเจ้าเสียสักวันหนึ่งนางตอบว่าท่านจะแตกจากพราหมกก็ดีจากเทวดาก็ดีส่วนฉันระลึกถึงพระศาสดาไม่นอบน้อมไม่สามารถที่จะอดกลั้นอยู่ได้แม้จะถูกพราหมู่ว่าจะสับด้วยพระขันฉันก็ไม่กลัว ขึ้นนางธนัญชานีอาบน้าหอมนุ่งพ้าไหมและประดับด้วยเครื่องประดับถือทพีทองอังคาดเลี้ยงดูพวกพรามในโรงอาหารขณะนางกําลังนําพัดเข้าไปเพื่อพรามผ่านทวัชโครดเกิดก้าวเท้าพลาดจึงเปล่งอุทานว่าขอพระพุทธเจ้าช่วยลูกด้วยพระพุทธเจ้าช่วยลูกด้วยพระพุทธเจ้าช่วยลูกด้วยเถิด บรรดาพราหมณ์เหล่านั้นพอได้ยินเสียงนั้นเป็นเสมือนถูกค้อนฝฟาดลงบนศีรษะเสวยทุกขเวทนาโทมนัสโกรธว่าพวกเราถูกคนนอกลัทธิลวงให้เข้าสู่เรือนละโว่เฮ้ยจึงทิ้งก้อนข้าวพรางด่าพราหมณ์พานว่าจะโคดนี่ท่านกลายเป็นพวกนอกรีดไปแล้วหรืออัปแทแท้ว่ากล่าวติเตียนดังนั้นแล้ว ก็เหล็กไปโคละทิศคละทางพราม์พานทวชโครธเห็นพวกพรามณ์ที่เชิญมาต่างพากันแยกไปอย่างนั้นจึงจ้องมองดูนางทนัญชานีตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าคิดว่าเราเห็นภัยนี้แลจึงขอร้องนางแต่วันวานก็ไม่ได้คิดแล้วก็ด่า น, นางโดยประการต่างๆแล้วกล่าวกับนางว่าก็หญิงถอยเนี่ย กล่าวคุณของสมณะโลนอย่างเนี้ยไม่ว่าที่ไหนที่ไหนนะหญิงถอยเอ้ยบัดนี้เราจะโต้คารมต่อพระศาสดา น, นั้นของเจ้าบ้างละนางทนัญชานีจึงกล่าวว่าสวามีฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้จะพึงโต้คารมต่อพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยข้าแต่สวามีเอาเถิดท่านจงไป แม้ไปแล้วก็จักรู้เองพรามคิดว่าพระสมณโคดมเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านชาวนิคมใครๆไม่อาจจะไปว่ากล่าวหรือคุกคามอย่างใดๆไ ด, ไ ด, ได้จำเราจักถามปัญหาสักข้อหนึ่งคิดแล้วแต่งปัญหามีใจความว่าบุคคลค่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขค่าอะไรได้ ย่อมไม่เศร้าโศกข้าแต่พระโคดมพระองค์ชอบใจการฆ่าทำอะไรซึ่งเป็นธรรมอันเองพราหม์คิดว่าถ้าพระสมณะโคดมจักกล่าวว่าเราชอบใจการฆ่าบุคคลชื่อนั้นชื่อนนเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะข่มท่านว่าท่านปรารถนาจะฆ่าราวชนที่ท่านไม่ชอบใจท่านเกิดมาเพื่อจะฆ่าโลกความเป็นสมณะของท่าน จะมีประโยชน์อะไรเล่าถ้าพระสมณะโคโดมจักกล่าวว่าเราไม่ชอบการฆ่าใครๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะขมท่านว่าท่านไม่ปราถนาจะฆากิเลตมีราคะเป็นต้นเพราะเหตุไรท่านจึงเป็นสมณะเที่ยวไปดังนั้นปัญหาสองเงื่อนนี้พระสมณะโคโดมก็จะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก <laughs> เมื่อพรามณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วจึงได้ถามปัญหาที่เตรียมไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูกระพรามพระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ทวชโกรดก็เด้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดโดยคิดว่าคนมีจักสุย่อมเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมผู้เจริญกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบท ในสำนักของพระโคดมผู้เจริญด้วยเถิดหลังจากอุปสมบทแล้วไม่นานท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์ฝ่ายอโกส ก, กะพานทวชพรามทราบว่าพราม ผานทวาชโครดผู้เป็นพี่ชายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคดมแล้วดังนี้ก็โกรธขัดเคืองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ด่าบริพาดพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยวาจาอันหยาบคายมีช่ยของสัตบุรุษเมื่ออากโกสกพรามกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามว่า ดูกระพรามญาติสาโลหิตและมิตรสหายผู้เป็นแขกของท่านย่อมมาเยี่ยมท่านบ้างไหมย่อมมาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวละท่านท่านจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มต้อนรับญาติสาโลหิตและมิตรสหายผู้เป็นแขกของท่านบ้างไหมก็ย่อมจัดบ้างเป็นครั้งเป็นคราวละท่านทาญาสาโลหิตและมิสหายผู้เป็นแขกของท่าน ไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้นจะเป็นของใครของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มเหล่านั้นก็ต้องตกเป็นของข้าพเจ้านั่นเองข้อนี้ก็เช่นเดียวกันท่านด่าเราผู้ไม่ดา่าท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธท่านหมายมั่นเราผู้ไม่หมายมั่นเราไม่รับเรื่องการด่าของท่านนั้น เรื่องการด่าของท่านก็เป็นของท่านผู้เดียวผู้ใดด่ดาตอบบุคคลผู้ด่าอยู่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธอยู่หมายมั่นตอบบุคคลผู้หมายมั่นอยู่ผู้นี้เรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกันย่อมกระทาตอบกันเรานั้นไม่บริโภคร่วม ไม่กระทําตอบด้วยท่านเป็นอันขาดเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่านผู้เดียวบริษัทพร้อมด้วยพระราชาย่อมทราบว่าพระสมณโคดมเป็นพระอรหรันต์เมื่อเป็นเช่นนี้ถนานพระโคดมผู้เจริญจึงยังโกรธอยู่แล้วผู้ไม่โกรธฝึกตนเองแล้ว มีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วพอ ร, รู้ชอบสงบคงที่อยู่ความโกรธจะมีมาแต่ที่ไหนผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามมบกว่าเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว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 ชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคล น, นั้นว่าเป็นคนเขาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอกโกสกะพานทวัชพรามก็เกิดความเลื่อมใสและได้กล่าวสรรเสริญพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทางขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะ จากนั้นก็ขอปปัชชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากอุปสมบทแล้วไม่นานท่านก็ได้เป็นพระอระหรันต์ฝ่ายอาสุรินทะกะพานทวชพรามทราบวภี่ีชายทั้งสองออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในสำนักของพระสมณโคดมแล้วดังนี้ก็โกรธขัดใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับคั้นแล้วก็ด่าบริาพาดพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยวาจาอันหยาบคายมีชัยของสัตบุรุษเมื่อพราหม์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงนิ่งเสียลำดับนั้นพราหม์จึงได้ ก, กล่าวว่าพระสมณะ เราชนะท่านแล้วพระสมณนะเราชนะท่านแล้วชนพาลกล่าวคําหยาบด้วยวาจาย่อมสําคัญว่าชนะทีเดียวแต่ความอดกั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลา ม, มุกกว่า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 เมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายชนทั้งหลายผู้มาฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคล น, นั้นว่าเป็นคนเขาในที่สุดอาสุรินทากะพานทวชพรามก็จเจริญรอยตามพี่ชายทั้งสองได้เป็นพระอรหันต์เช่นกัน ความโกรธทำให้บุคคลแสดงอาการดุร้ายหยาบคายออกมาทางกายวาจาเปลี่ยนสภาพจากสุภาพชนเป็นทรชนจากผู้ ด, ดีเป็นไพร่ควรหรือที่เราจะโกรธตอบเขาแสดงอาการที่น่ารังเกียจอย่างเขาทำตนให้เป็นทรชนคนเลวดุร้ายป่าเถือนอย่างเขาเป็นผู้ดีไม่ชอบ ชอบเป็นไพร่กันนั่นหรืการได้ด่าว่าผู้อื่นจัดเป็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้กันแน่บางคนคิดว่าตนเป็นผู้ชนะเพราะด่าอยู่ฝ่ายเดียวหรือด่าได้หยาบคายกว่าแท้จริงแล้วทุกคนที่กล่าวคําหยาบล้วนเป็นผู้แพ้แพ้ต่ออำนาจความโกรธส่วนคนที่อดทนให้คนอื่นอื่ น, นด่า โดยไม่ตตวตอบทั้งที่สามารถทำได้นั่นแหละเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเพราะชนะความโกรธซึ่งเป็นสิ่งที่เอาชนะได้ยากใครมีปากอยากปูดก็พูดไปเรื่องอะไรก็ช่างอย่าฟังขาน เราอย่าต่อก่อเก้าให้ร้าวรานความรำคาญก็จะหายสบายใจ